หลักเกณฑ์การเลือกสถานที่และบุคคลที่ควรเสพและไม่ควรเสพพระตาคตบอกหลักเกณฑ์ในการเลือกสถานที่บุคคลนะว่าสถานที่นิคมเมืองหลวงหรือบุคคลแบบไหนควรเสพแบบไหนไม่ควรเสพก็คือแบบไหนที่เราควรเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยจะเกี่ยวข้องด้วย นานหรือว่าจะเกี่ยวข้องด้วยไม่นานนะมากน้อยอย่างไรอันนี้พระองค์วางหลักเกณฑ์ไว้ให้อย่างเช่นว่าสถานที่ใดหรือบุคคลใดที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยแล้วเนี่ยกุศลเนี่ยมันจเจริญขึ้นนะอกุศลมันเสื่อมสติที่ยังตั้งขึ้นไม่ได้ก็ตั้งขึ้นได้นะสมาธิที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้น อันนี้ก็ให้เกี่ยวข้องต่อไปส่วนเมื่อเกี่ยวข้องไปแล้วนั้นปัจจัยเภศัชบริขารก็คือเอกลักษ์ปัจจัยต่างๆนะทรัพย์สินเงินทองจะมีมากหรือน้อยนั้นอันนี้ไม่เป็นประมาณในการนะพิจารณาแต่ให้พิจารณาในด้านความเป็นกุศลนะถ้า คุณงามความดีของเราจเจริญขึ้นก็ให้เสพสถานที่นั้นต่อไปคบคนคนนั้นต่อไปแต่ถ้าเราครบแล้วนะความเป็นกุศล น, นั้นไม่จเจริญแต่ความเป็นอกุศล น, นั้นจเจริญขึ้นมาอันนั้นต้องให้หลีกจากบุคคลคนนั้นและถ้าคบแล้วกุศลก็ไม่จเจริญนะแต่อกุศลกลับจเจริญขึ้น และเอกลากปัจจัยนะเมื่อเกี่ยวข้องกับคนคนนั้นก็ไม่เจริญงอกงามพนะระตถาคตบอกว่าไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืนก็ให้หลีกไปจากที่นั้นเสียนะนี่ก็เป็นหลักเกณฑ์คร่าวๆสี่อย่างที่พระตถาคตได้วางเอาไว้ให้เราเนี่ยได้พิจารณาภิกษุทั้งหลาย ภิกษุในกรณีนี้เข้าไปอาศัยวัณปัตต์แห่งใดแห่งหนึ่งอยู่สติที่ยังตั้งขึ้นไม่ได้ก็ไม่ตั้งขึ้นได้จิตที่ยังไม่ตั้งมัน่นก็ไม่ตั้งมัน่นอาสวะที่ยังไม่สิ้นก็ไม่ถึงความสิ้นและอนุตตระโยคัเขมธรรมที่ยังไม่บรรลุก็ไม่บรรลุ ทั้งจีวรบินทบาทเสนาสนะขิลานะปัจจัยเพศสัตวบริคารอันบันพชิตพึงแสวงหามาเพื่อเป็นบริขารของชีวิตก็หามาได้โดยยากภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นพิจารณาเห็นโดยประจักษ์ดังนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นเวลากลางวันหรือกลางคืน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 ก็ไม่ถึงความสิ้นและอนุตตรโยคคเขมธรรมที่ยังไม่บรรลุก็ไม่บรรลุแต่ว่าจีวรบินทบาทเสนาสนะกีฬานะปัจจัยเพศสัตบริคารอันบรรพชิตพึงแสวงหามาเพื่อเป็นบริคารของชีวิตหามาได้โดยไม่ยากภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้น พิจารณาเห็นโดยประจักษ์ดังนี้แล้วคิดว่าเราเป็นผู้ออกจากเรือนบวชเพราะเหตุแห่งจีวรก็หาไม่ได้เพราะเหตุแห่งบินทบาทก็หาไม่ได้เพราะเหตุแห่งเสนาสนะก็หาไม่ได้เพราะเหตุแห่งคีลานปัจจัยเพศสัตบริขารก็หาไม่ได้ครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้ว ภิกษุนั้นพึงหลีกไปจากวนปัตนั้นอย่าอยู่เลยภิกษุทั้งหลายภิกษุในกรณีนี้เข้าไปอาศัยวนปัตแห่งใดแห่งหนึ่งอยู่สติที่ยังตั้งขึ้นไม่ได้ก็ตั้งขึ้นได้จิตที่ยังไม่ตั้งมัน่นก็ตั้งมัน่นอาสวะที่ยังไม่สิ้นก็ถึงความสิ้น และอนุตตรโยคคเขมธรรมที่ยังไม่บรรลุก็บรรลุแต่จีวรบินทบาทเสนาสนะคิลานะปัจจัยเพศสัตบริขารอันบันพชิตพึงสแสวงหาเพื่อเป็นบริขารของชีวิตนั้นหามาได้โดยยากภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นพิจารณาเห็นโดยประจักษ์ดังนี้แล้ว คิดว่าเราไม่ได้ออกจากเรือนบวชเพราะเหตุแห่งจีวรเพราะเหตุแห่งบินทบาทเพราะเหตุแห่งเสนาสนะเพราะเหตุแห่งคีลานปัดใ จ, จเพศสัตวบริขารครั้นพิจารณาเห็นดังนี้แล้วภิกษุนั้นพึงอยู่ในวันปัาตนั้นอย่าหลีกไปเสียเลยภิกษุทั้งหลายอันหนึ่ง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 ขีลานะปัจจัยเพสัชบริคารอันบรรพชิตจะสแสวงหามาเพื่อเป็นบริการของชีวิตนั้นก็หาได้โดยไม่ยากภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นพิจารณาเห็นโดยประจักษ์ดังนี้แล้วพึงอยู่ในวันปัตนั้นจนตลอดชีวิตอย่าลีกไปเสียเลย